สารัมภะสนิมในใจหมายเลขส2องการที่คนเราเสียผู้เสียคนเพราะความชั่วไม่ใช่ของแปลกความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหากไปทําความชั่วเข้าผู้นั้นก็ต้องเสียหายลงไปข้อนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่คนเสียเพราะดีนั่นสิเป็นของแปลก พระตรัสถึงเหตุผลที่เสียเพราะดีไว้ในอุปกิเลสสองข้อคือสาถัยยะความอวดดีที่มันยายมาแล้วนั้นข้อหนึ่งกับสารำภะความแข่งดีอุปกิเลสข้อ12นี้อีกข้อหนึ่งคนอวดดีเป็นคนเสียอย่างไรใครๆก็พอจะมองเห็นแต่คนแข่งดีแล้วเสียนี่ เห็นยากอยู่สักหน่อยคำว่าสารัมภะแปลกันมาว่าความแข่งดีเป็นคำแปลที่ชัดเจนและเหมาะเจาะที่สุดแล้วจะหาคำแปลที่ดีกว่านี้หรือแม้แต่เท่าเทกับคำนี้ก็ดูเหมือนจะหาไม่ได้ข้าพเจ้าเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันการที่ศับว่าสารัมภะเป็นศัพที่มีคำแปลจํากัดจาเกียดเช่นนี้ เลยทำความหนักใจให้แก่ข้าพเจ้าผู้บรรยายด้วยคือการบรรยายทำนั้นถ้าหัวข้อใดมีคำแปลได้มากๆแปลได้รอบตัวมีคำไขหรือไวยพสเยแยผู้บรรยายเองสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและหาคำพูดอย่างเหลือเฟือหัวข้อเช่นนั้นบรรยายง่ายข้อความที่จะพูดมาอ้อกันเต็มอยู่ในสมอง แล้วแย่งทะลักออกทางปลายปากกาผู้บรรยายก็เพลินเรื่องที่เขียนก็ทำให้คนอ่านรู้สึกเพลินได้แต่มาถึงเรื่องสารัำพะนี้เห็นท่าจะแย่ขบายเจ้าจึงรู้สึกตัวว่าขาดเขินทั้งสองอย่างคือทั้งความทั้งคำความสามารถในการถ่ายความรู้ก็น้อยคำที่จะอธิบายก็ดูอัตขัดหน้าหนักใจ แต่ข้าพเจ้ามีทางสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านผู้ฟังอยู่อีกทางหนึ่งคือถ่ายทอดความหมายของข้อธรรมลงสู่คำพูดธรมดธรมดาาซึ่งเราเข้าใจกันทั่วไปและที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นคำที่มีความหมายตรงกันอย่างที่เคยทำมาแล้วในการอธิบายธรรมะข้ออื่นๆสารัมพาที่แปลว่าแข็งดีนั้นเข้าทีแล้วแต่เสด็ที่ว่า หูโลกอย่างเราๆท่านๆนี้ฟังแล้วชวนให้เข้าใจผิดการแข่งกันนั้นทางโลกไม่เห็นว่าเสียเช่นแข่งกันค้าแข่งกันขายแข่งกันปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าแข่งกีฬากันเอารางวัลแข่งสอบกันชิงทุนเรียนแข่งกันเอาคะแนนสอบไม่มีข้อใดที่น่าตาหนิเลย และทางศาสนาก็ไม่ได้ตำหนิการกระทำเหล่านี้อาการเหล่านี้ท่านได้ใช้คำว่าปรักกรมะแปลว่าก้าวหน้าแต่ทางโลกเราใช้คำว่าแข่งตกลงว่ากิริยาที่ชาวบ้านเราเรียกว่าแข่งน่าจะไปตรงกับธรรมะข้อว่าปรักกรมะไม่เสียหายอะไรแล้วทีนี้ กิริยาอย่างไรเล่าที่เป็นสารัพภะข้าพเจ้าเห็นมีคำไทยอยู่คำหนึ่งที่ย่ออาการของผู้ทมตรงกับอาการของสารัพะคือคำว่าแยง่งจึงขอเสนอท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาในแง่นี้ดูกิริยาที่เราเรียกว่าแข่งกับแย่งก็ต่างกันแข่งเป็นเรื่องที่หมู่คณะจัดขึ้นเช่นแข่งรถแข่งเรือ เขามีกรรมการและมีกติกาประกาศให้ทราบทั่วกันผู้ใดยอยากเข้าแข่งก็แสดงตนให้กรรมการพิจารณาและลงสนามทำการแข่งขันกันตามกติกานี่เรื่องแข่งส่วนการแย่งนั้นคือยื้อแย่งเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนอื่นอย่างเช่นเด็กแย่งขนมกันเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมไม่มีกติกา และไม่มีกรรมาการรายที่สุดผู้แย่งมักจะไม่บอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวเสียด้วยซ้ำเพราะต้องชิงไหวชิงพลิบกันรวมความแล้วคำทั้งสองนี้มีอัทรัษ์ไม่เหมือนกันคำว่าแข่งมีอัทรัษ์ในทางดีหูของคนธรรมดาได้ยินคำนี้แล้วใจไม่คิดตำหนิว่าเสียหายกลับให้เกียริแก่ผู้นั้นเสียด้วยซ้า ส่วนคำว่าแย่งนั้นพอได้ยินเข้าก็ชวนให้นึกคิดไปว่าตัวคนที่แย่งเขานั้นเป็นคนเลวเกเรอุปกิเลสข้อสารัมภานั้นอาการที่แสดงออกมาตรงกับความหมายของคำว่าแย่งนี้แต่เป็นการแย่งดีของเขาเท่านั้นในที่นี้ข้าพเจ้าจะใช้ทั้งสองคำคือคำว่าแข่งอันเป็นภาษาตำราและคำว่าแย่ง อันเป็นภาษาใจของข้าพเจ้าและที่ว่าแย่งดีในที่นี้ก็หมายถึงดีอย่างที่ชาวบ้านรู้กันคืออำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่ความดีความเด่นยศศักเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่หมายถึงความดีในทางธรรมะเช่นการจำศีลภาวนาหรือการทาความเพียรละกิเลสแต่อย่างใด การแย่งดีก็คือคนที่พยายามจะยื้อแย่งเอาความดีเด่นนั้นมาเป็นของตัวมีอยู่มากเหมือนกันประจําแผนกคิดแย่งตำแหน่งหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกคิดจะแย่งตำแหน่งหัวหน้ากองหัวหน้ากองคิดจะแย่งตำแหน่งอธิบดีสูงขึ้นไปจนกระทั่งการแย่งราชบัลลังก์ในวงการจักจักรว ง, วง ซึ่งเราเคยอ่านในพงศาวดารหรือทางพระก็มีการแย่งตาแหน่งสมภารแย่งตาแหน่งอุปชาแย่งตาแหน่งเจ้าคณะบางทีพวกโยมก็มีการแย่งตาแหน่งมรรคธายกจนกระทั่งในวงการของแม่ชีก็เคยมีการแย่งกันเป็นหัวหน้าชีความคิดที่จะยื้อแย่งของพวกนักแย่งทั้งหลายตามตัวอย่างที่ยกมานี้เรียกว่าสารพะ ในอุปไปกิเลส ข, ข้อนี้และขอให้สังเกตว่าการกระทาที่จะเป็นการแย่งดีนั้นต้องหมายความว่าความดีที่คนอื่นครองอยู่นั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาแล้วและไม่มีเงื่อนไขไว้เลยว่าให้คนอื่นแย่งชิงเอาได้ตัวเองคิดจะยื้อแย่งเอาโดยไม่ชอบธรรมอย่างนี้จึงเป็นสารพะหรือแย่งดี แต่ถ้าความดีที่จะแย่งนั้นมีเงื่อนไขหรือกติกากันไว้โดยเปิดเผยว่าใครจะแย่งตําแหน่งนั้นก็ได้ไม่เป็นอันเสียยุติธรรมเช่นตําแหน่งแชมป์เปี้ยนกีฬาบางประเภทอย่างนี้ผู้คนที่คิดจะแย่งก็ไม่ผิดอะไรไม่เป็นสารัมพะเขาลักษณะเป็นการแข่งขันไปเรื่องนี้ขอให้นักธรรมพิจารณาโดยแยกคาย และขอให้หมายใจไว้ว่าอุปกิเลสนี้ต้องถึงขั้นทำให้เสียศักดิ์ศรีในสายตาของชาวบ้านจริงๆเช่นการแย่งดีกันที่ว่ามานี้ตอนโทษของสารัมภะสารัมภะเป็นอุปกิเลสข้อหนึ่งทำให้คนเสียหายได้เหมือนเหมือนกับอุปกิเลตอื่นๆนั่นเอง คือทำให้มีรอยเสียทางจิตใจด้วยและเสียออกมาภายนอกทางมารยาทและงานของเขาด้วยเป็นอันเสียทั้งสองชั้นจะต่างกันก็แต่ลักษณะของความเสียหรืออาการที่แสดงออกข้าพเจ้าขอเสนอข้อสังเกตเป็นข้อเป็นข้อดังนี้คือ 1. สารพะดทำให้อุปกิเลตอื่นเกิดขึ้น 2. สารัมภะทำให้จิตโง่เขลาและสาสารมภดทำให้เสียศักดิ์ศรีข้อแรกที่ว่าสารัพภะทำให้อุปกิเลสอื่นเกิดขึ้นคือหมายความว่าเมื่อจิตมีสารัมภะแล้วเป็นต้องมีอุปกิเลสอีกหลายอย่างด้วยขอให้นึกเปรียบกับคนอนุภานดูคนอนุภานมีสองประเภทประเภทหนึ่งตัวคนเดียว ไม่มีสมัครพักพวกเที่ยวขึ้นขโมยของบ้านโน้นบ้านนี้ตามลำพังอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทรวมหมู่หรือแก๊งคนเดียวไม่ทำใครแต่ถ้าขัดใจใครก็ไปเที่ยวเป่าร้องเอาพักพวกมาช่วยเล่นงานด้วยอย่างเช่นสมาชิกของแก๊งเด็กหนุ่มที่มีเขาลืออื้อฉาอยู่ทั้งเชียงใหม่เวลานี้เรามีเรื่องกับเขาคนเดียวเท่านั้น แต่แล้วนักเลงรุมเข้ามาหน้าสลอนอุปกิเล์ข้อสารัมพานี้ก็มีคล้ายๆนักเลงยกพวกนี่เองคือไม่สู้โดดๆดดถ้าจะสู้ก็เรียกร้องพักพวกมาช่วยด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนเราเมื่อตัดสินใจที่จะแข่งดีกับใครหรือคิดจะแย่งดีจากใครแล้วยอมจะมุ่งเอาชนะให้ได้ และคนที่อยากได้ชัยชนะนั้นย่อมไม่มีเวลารีรอยิ่งชนะได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเมื่อใครตัดสินใจจะแข่งหรือแย่งดีจากคนอื่นแล้วใจจึงจะกระวนกระวายอยากได้ผลที่ต้องการในวันในพรุ่งทีเดียวความกระวนกระวายของใจนี่แหละจะทำให้จิตเกิดกิเลสอีกหลายอย่างที่จะทำให้การแย่งดีบรรลุผลสมประสงค์ กิเลที่จะเกิดขึ้นคู่เคียงกันอย่างแน่นอนนั้นตัวอย่างเช่นมรคคลบหลูคุณของผู้นั้นเสียปราศายกตัวเองขึ้นเทียมท่านอิจสาริศยาในความดีของท่านมายาแสดงเล่ทำดีว่าตัวดีวิเศษสาไถัยคุยโวโออวดตัวเองอติมานะ ดูหมินท่านพอใจเกิดสารมพะคิดจะแข่งดีหรือดำเนินการแย่งดีจากคนอื่นเท่านั้นอุปกิเลที่เป็นสมัครพรรคพวกกันเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยเพื่อจะช่วยให้การแย่งดีสำเร็จผลเร็วเข้าเมื่อนักเลงจับ ก, กลุ่มกันมากๆในที่ใดแผนการและความไม่สงบเรียบร้อยย่อมจะเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นธรรมดากิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกัน เมื่อมันมาเกิดรวมกันเข้าในใจของคนคนเดียวถ้านึกดูเองก็แล้วกันสภาพในจิตใจของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนจิตใจของเขาย่อมจะเต็มไปด้วยความคิดอันหยาบช้าคิดเร็เวๆคิดต่ำๆไร้ความยุติธรรมเป็นใจที่มืดมนเห็นผิดเป็นชอบนี่คือจุดเสียชั้นใน ปรากฏอยู่ที่ในใจของคนที่มีสารัมภะอาการอย่างนี้ใครเป็นใครอยู่ไม่มีใครเห็นและนี่คือความพ่ายแพ้ในตัวเองอย่างย่อยยับมันไม่แพ้ก็ทนไม่ไหวใจเราดวงเดียวแต่ถูกกิเลสตั้งกว่าครึ่งโหลมารุมเล่นงานเอาละดูจุดที่สองต่อไปที่ว่าสารัมภะทำให้จิตงโง่เขานั้น หมายความว่าอย่างไรโทษประเด็นนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเด็นก่อนดี่อธิบายมาแล้วคือคนคิดจะแข่งดีหรือแย่งดีคนอื่นนั้นจะมีกิเลสหลายอย่างเกิดขึ้นในใจทำให้ความคิดอ่านเสียสภาพปกติไปเพื่อความเข้าใจถูกต้องขอให้ท่านผู้อ่านบันทึกทบทวนคำบรรยายพุทธศาสนตอนที่ว่าด้วยโมหะเสียอีกครั้งหนึ่ง คือเรื่องความคิดกับความอ่านข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไว้ว่าความคิดที่สมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบด้วยความคิดคือวิตกคือการยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตเสร็จแล้วจิตก็ตรองอารมณ์นั้นคือวิจารณ์แล้วตัดให้ผ่านไปเสร็จไปเป็นอย่างเป็นอย่างความคิดความอ่านต้องให้ได้ส่วนกัน มีแต่ความคิดแต่ไม่มีความอ่านหรือมีน้อยไม่ทันความคิดจิตก็จะฟุง้งซ่านเสียกำลังลงไปกลายเป็นโมหะการป้องกันอารมณ์ให้จิตก็เหมือนกับการป้อนเชื้อให้ไฟนั่นเองไฟน้อยก็ต้องค่อยๆหย่อนเชื้ออ่อนๆให้ถ้าโถมดุนฟืนใหญ่เข้าใส่เปลวไฟที่ติดก้านไม่ขีดอันเดียวไฟก็ดับท่านผู้อ่านโปรดทราบว่า กิเลสแต่และชนิดล้วนแต่เป็นสิ่งสร้างอารมณ์ขึ้นให้จิตทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสชนิดใดก็ตามคนมีกิเลสมากจิตก็ฟุ้งซ่านมากฟุ้งจนกระทั่งนอนไม่หลับก็มีทีนี้อุปกิเลสคือสารรำพนี้ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่ามันเป็นกิเลสประเภทยกพวกเกิดที่ไหนไม่เกิดขึ้นโด ด, โ ด, ด เป็นเป่าร้องเอากิเลสอย่างอื่นมาม่วดสุมอยู่ด้วยเสมอแล้วทีนี้กิเลสสารพัดอย่างที่สารัมภะชักชวนมาอยู่ในใจเรานั้นล้วนแต่เป็นผู้สร้างอารมณ์ขึ้นให้จิตใจทั้งนั้นจิตของเรามีกำลังเท่าเดิมมีสติปัญญาก็เท่าเดิมแต่อารมณ์ที่จะวิจาร์มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดกับความอ่านจึงไม่ได้ส่วนกัน คิดมากแต่อ่านน้อยเหมือนกินอาหารมากเกินไปไฟาธาตุย่อยไม่ทันเลยท้องเฟอ้อที่ว่าสารพาัดทาให้ใจโง่นั้นโง่ตรงนี้โง่เพราะเหตุนี้ไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำแต่ไม่รู้ว่าไอ้นี่ไอ้นั่นอะ่ะมันดีหรือเสียคิดแต่จะเอาชนะเท่านั้นเหมือนคนขับรถที่ลำพองใจ พอขับไปขับไปเห็นรถอีกคันหนึ่งวิ่งนำหน้าอยู่สารำพามันเกิดวูบขึ้นมาในใจเราต้องขึ้นหน้าสิวะคนโดยสารจะได้ชมฝีมือเราเอาเลยเสร็จแล้วก็เหยียบคันเร่งน้ำมันเสียจมใจคิดแต่จะเอาชัยชนะจากคนอื่นจะเอาดีให้ตัวมีหน้ามีตาขณะนั้นดวงปัญญาสู้ความคิดไม่ไหวแล้ว ที่สุดเป็นอย่างไรรถคันอื่นสวนมาทั้งคันก็ไม่ได้ดูกองหินข้างทางสูงต้องวา2สองวาก็ไม่ได้ดูป้ายเขาบอกว่าข้างหน้าเป็นสะพานก็ไม่ได้ดูแซงพรวดพรวดขึ้นไปผลที่สุดก็โครมเป็นผีเฝ้าถนนนี่เพราะเรื่องอยากแข่งดีแย่งดีแย่งเด่นกันทั้งนั้น สารำพานั้นมันไม่เพียงแต่ว่าทำให้คนเปื้อนเประเศร้าหมองเท่านั้นแต่มันทำให้ตายโหงก็ได้ดังตัวอย่างที่ว่ามานี้เพื่อให้เข้าใจจุดแพ้จุดชนะทางใจมากกว่านี้ข้าพเจ้าขอวาดภาพเปรียบเทียบให้ท่านคิดดูคนคนหนึ่งแกมีตะเกียงอยู่ใบหนึ่งจะเป็นตะเกียงรั้วหรือตะเกียงหลอดก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นตะเกียงน้ามัน คือวันหนึ่งแกมองไปเห็นที่บ้านข้างเคียงเขาจุดตะเกียงสว่างแกก็เกิดสารำพภกขึ้นในใจอยากจะแข่งแสงตะเกียงกับบ้านนั้นใจคิดแข่งมือก็หมุนไส้ตะเกียงขึ้นหมุนขึ้นอีกหมุนขึ้นอีกหมุนขึ้นอีกหมุนขึ้นอีกหมุนต่อไปจะเอาชนะบ้านนั้นให้ได้ เรื่องของตะเกียงนั้นถ้าหมุนไส้ขึ้นมากเกินไปไฟไม่ไหม้น้ำมันไม่ทันมันก็จะเกิดเป็นควันตลบเต็มในหลอดตะเกียงควันมันหาที่ออกได้ไม่ทันก็กลายเป็นขมเหาจับเกริ่ยหลอดตะเกียงนั่นเองยิ่งหมุนไส้สูงควันยิ่งมากขมเหาก็ยิ่งมากเมื่อขมเหามากความสว่างของไฟก็น้อยลงน้อยลงจนไม่มีแสงเลย ผลที่สุดตะเกียงของใครจะแพ้ชนะโปรดคิดดูคนสารำพานนั่นแหละจะเป็นผู้แพ้ข้อเปรียบเทียบนี้เปรียบให้เห็นว่าสารำพามันทำให้จิตใจเศร้าหมองลงไปสติปัญญาอับยิ่งคิดจะแข่งดีเขาตัวยิ่งแย่ลงทุกทีที่สุดก็พ่ายแพ้แพ้อย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้ความคิด เป็นการพ่ายแพ้ที่อับอายขายหน้ายิ่งนักประการสุดท้ายที่ว่าสารำพ้าทำให้เสียศักดิ์ศรีนั้นไม่เห็นจะต้องพูดกันมากเพราะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วมงกุฎนั้นถ้ามันเลื่อนลอยมาเองแล้วสวมลงบนศีรษะใครคนทั้งหลายเขาก็ชื่นชมในบุญบา ร, รมีของผู้นั้นแต่ถ้าปรากฏเป็นที่รู้กันแม้แต่นิดเดียวว่า เขาผู้นั้นไปช่อโกงแย่งชิงเอามงกุฎจากศรีรษะคนอื่นมาสวมหัวตัวเองอย่างไม่เป็นธรรมคนทั้งหลายก็จะพากันดูหมิ่นเย็ดยามหมดความเคารพรักลงไปทันทีจะนึกชมบ้างก็แต่ว่าแกโกงเก่งมากเท่านั้นเองคนที่คิดจริงดีจริงเด่นคนอื่นก็เหมือนกันในขณะที่ดำเนินการแย่งชิงอยู่นั้น กิริยาวาจาและงานที่ทำก็เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันน่าเกลียดน่ารำคาญมีการโยกเยงงงงงะงอแงแสนงอนตลกตะแรงบอกไม่ถูกนึกดูเด็กแย่งทานกันก็แล้วกันพอมีคนโปรยทานแล้วเด็กๆรุมแย่งกันดูสิกิริยาท่าทางของคนที่กำลังแย่งกัน ท่าทางก็กระยื้อกระยิ่งโยงโยงโย่โยงโ ย, โ ย, โยกิริยาก็กรุกเรีรุกรนผลักคนนั้นคนนี้รวมความว่าถ้าหลงได้แย่งแล้วมันดูไม่ได้ก็แล้วกันท่าทางไม่เป็นผู้ลากมากดีได้เลยคนแย่งดีกันก็เหมือนกันคือทำอะไรไม่ได้คนตาดีเขาเห็นแล้วรู้มีอย่างที่ไหน วัดแจกดีกาสลากกพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองผู้คนมาจากทางเหนือทางใต้ล้นสลาแต่ถามท่านรองสมภารว่าวัดมีงานอะไรกลับได้รับตอบว่าไม่รู้เขานี่แหละคําพูดเพียงประโยคเดียวสั้นๆเท่านี้ไม่รู้เขาคนฉลาดก็ทราบได้ทันทีว่าท่านกําลังจะคิดแย่งตําแหน่งสมภาร และไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยเฉยยังถอนความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาคืนไปเสียอีกด้วยเอาเถอะแม้ว่าท่านผู้แย่งจะมีวุฒิสูงกว่าฉลาดกว่าเข้าทีกว่าแต่พอรู้ว่าแย่งเท่านั้นก็เห็นขี้อันโสม ม, มทันทีรวมความโดยเบ็ดเสร็จเตดขาดว่าสารมพะความแข่งดีหรือแย่งดีคนอื่น เป็นพฤติการอันลดศักดิ์ศรีของตัวลงไปในทุกทางคนมีสารัมพะคิดจะแข่งดีคนอื่นหวังเอาชนะตัวเองกลับเป็นฝ่ายแพ้แพ้แม้แต่อารมณ์ทางใจของตัวเองคนสารัำพะคิดจะแย่งเอาดีจากคนอื่นตนเองกลับเป็นผู้เสียดีไปสารัำพะแทนที่จะนำความนิยมชม ช, มชอบจากคนอื่นมาให้ กลับมาลดสง่าราศีในตัวเองลงไปเหตุนี้แหละพระจึงตรัสว่าสารัมภะเป็นอุปกิเลสตอนเลิกสารัมภะการเลิกสารัมภะไม่ใช่ของยากเย็นอะไรเพียงแต่พิจารณาให้เห็นคุณโทษของสารัมภะอย่างแจ่มแจ้งแล้วสารัมภะก็จะหายไปเอง เพราะจิตที่มีสารรมพะนั้นเป็นจิตที่อยากดีอยู่แล้วเป็นแต่เข้าใจผิดในทางหาดีเท่านั้นพอรู้ว่าการหาดีโดยวิธีแข่งดีแย่งดีตนจะไม่ได้ดีจิตก็ถอยเอง